ความสุขความเจริญมีระท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทไลศรีปทุมได้นำเสนอพระสูตรที่เกี่ยวกับทุกสองสูตรคือมหาทุกขขันธสูตรและธุละทุกขขันธสูตรเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงต่างกรรมต่างวรระกันแต่ผลของการรู้อำนาจแก่กิเลสเนี่ย มันก็เกิดขึ้นักคนท้หลายทั่วไปการส่งกวนแก่ความชิดที่คนเหล่านั้นได้กระทาในตอนหาทุกขขันทสูตรได้เว้นไม่อธิบายเรื่องทันซึ่งเราไม่เคยคุ้นเคยแต่พอดีก็ทรงแสดงไว้ที่จุลทุกขขันทสูตรอีกเพียอย่างที่บอกไว้ว่าเคยพบใน สูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเทวทูตในการพูดถึงทันทรมานที่มีการลงในนรกแล้วก็มันมีลักษณะเบียวกับที่แสดงไว้ในพระสูตรทั้งสองนี้แล้วในขณะเดีวยวกันโดยประวัติศาสตร์ของอินเดีย ในยุคแรกๆที่พระเจ้าอาโศกได้เป็นกษัตริย์ยังมีนิสายรุนแรงโหดร้ายเขาเรียกว่าจันทาโศกอยู่เนี่ยพระเจ้าอาโศกเคยลงโทษสาวสันกำนันในที่ไปทึ้งเล่นดอกอโศกแล้วมาปาเล่นกันโดยการลงโทษประหาร ถ, ถึงเขาบอกถึงห้าร้อยก็ไม่น่าจะมากอย่างนั้น เดี๋ยวตัวเลขแขกเนี่ยมันค่อนข้างจะมากไปไหน่อยเฮ้สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันมีพัชจคาตคนหนึ่งที่ทิสัยโหดร้ายทารุนมากแล้วก็มีความดีความชอบที่ให้พระเจ้าอาสศกรรานประทานพรให้แกมีนำบริเวณแห่งหนึ่งคล้ายๆกันมนในโลกมนุษย์ ก็หมายความว่าใครผ่านเข้าไปในตรงนั้นนายคนนี้สามารถลงทันได้ตามวิธีการเหล่านี้คนใครหลงทางเข้าไปแกก็จับลงทันมาเรือยอดจนมาคราวหนึ่งไปเจอกับนิโครธสามเณรบางแห่งบอกว่าพระสมุทรรัตเจระชื่อสองสองชื่อนี้อาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้ น, นิโครเนี่ยเป็นตำนานทางเทรวาตแต่ว่าสมุทรระเนี่ยเป็นตำนานไปทางมายานก็เป็นคนที่เปลี่ยนพระไทยปปะชาสูง เ, เราก็เรียกว่า น, นิโคดสมมนนามเณรีนถธามนิโคสั ม, มนเณรเนี่ยเป็นไทย คือพระเจ้าโศกนั้นมีพระเชษฐาผู้ใหญ่องค์ที่จะสืบราชสมบัติแทนพระเจ้าพินผู้สารผู้เป็นพระราชบิดาแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงคือในราชวงศ์เมารยะของพระเจ้าโศกเนี่ยมาถึงยุคของพระเจ้าโศกคือถือว่าระดับที่สามคือปู่ของพระเจ้าโศกพระเจ้าจันทรคุปต์เองก็แย่งราชสมบัติมาจากราชวงศ์นันทะ ที่ปกครองนะครปาฏลิบุตรมาก่อนแล้วนี้ถ้าถามว่าราชวงศ์อันธาเนี่ยมาจากใครก็แยกมาจากราชวงศ์สุงขะราชวงศ์สุงขะแยกมาจากใครก็แยกมาจากาไม่ใช่คือราชวงศ์อันธาเนี่ยมันเป็นการทํานองคล้ายๆกับปดีตวัติรัฐประหาร ในยุคนน้นนะฮะยุคที่ก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จะเข้ามายุคต้นยุคจนต้ น, ต, น, ต, นต้นของที่พระเจ้าไปนี้ผ่านไปแล้วในการต่อมาพระเจ้าจันทรุภ ก, ก็เสด็จออกถือเพศเป็นอาเจรกหรือถือเพศเป็นผู้เนี่ยผู้นิครุนเนี่ยพวกนักบวชชีเปื่อยอพร้อมด้วยพระเทวีโดยตั้งพระไถว่า จะมอบราชสมบัติแก่ราชโอรสเทศะโอรสองค์ใหญ่ชื่อสุรเสนปรากฏว่าเกิดการเมืองภายในโดยมีศาสนามีอิทธิพลดิเบื้องหลังพวกที่นับถือพราหมณ์เนี่ยคือคือคือพระเจ้าจันทรคุบเนี่ยนัือาศาสนาเชนแล้วก็ สุรเสนาเนี่ยก็เข้าใจหนังสือศาสนาเชนด้วยตามพ่อแต่ว่าพินทุสารเนี่ยนักถือพราบคนพวกพรา์ก็อยู่เบื้องหลังก็สนับสมุนแย่งราชสมบัติจากสุรเสนะมาให้เป็นของพินทุสารพ ร, ราชบิดาพระเจ้าศกพระเจ้าพินทุสารครองราชอยู่ยี่สิบแปดปี ก็ปรารถนาที่จะให้ประเทศทาโอรสคือเจ้าชายสุซิมะหรือเจ้าชายสุมานะมีชื่ออยู่สองชื่อเหมืกันเราก็เล่นแผนการเมืองอีกคือพวกพราหมณ์เนี่ยต้องการจะให้เจ้าชายโศกได้เป็นก็ถือว่าเล่นเกมกันแรงต่อสู้กันทางการเมืองก็ถือว่าเป็นธรรมชาติแต่เงินของมนุษย์แต่เราก็เห็นว่าเออมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้ แย่งกันต่อสู้กันปราหัดประหารกันบนเส้นทางตรงนี้จะมีคนบาดเจ็บล้มตายเยอะมากๆแล้วกว่าจะจับหลักได้หรือว่าเสียศูนย์ไปเลยก็แล้วแต่วพนันในที่สุดเจ้าชายโศกซึ่งตอนนั้นที่จริงเป็นอุปราชวุีิอุตเสนีในอวันตีสนบทก็ถูกพามก็ให้แอบเข้าเมืองแอบเข้ามาที่กรุงปัตตุนี เราก็ไปสร้างสถานการณ์ให้กําเริบขึ้นที่ชายปัจจันทรในชนบทก็พระเจ้าพิทุทสานต์รณส่งไปชวนต้องการให้อโศกเนี่ยไปปราบรามแต่วพระนี้์บอกอโศกป่วยส่งไปชวนไปไม่ได้ก็เป็นเหตุได้ต้องส่งสุสีมะหรือสุมรณนาไปแล้วในที่นี้ก็ยึดราชสมบัติเลยมันคล้ายๆ ส, สมัยสมเด็จพะระนารายณ์ ของเราเนะี่ยคล้ายๆกันมากเลยแล้วใ น, นสุดก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาที่เจ้าชายอโศกซึ่งโดยสักแล้วเนี่ยเจ้าชายอโศกคล้ายๆกับท้าบ้านเราก็คือพระองค์เจ้ามันไม่ใช่เป็นเจ้าฟ้าเพราะเป็นพระราชโอรสของพระเทวีไม่ใช่เป็นพระราชโอรสของอัครมเหสีเหมือนกับสุสีมะหรือสุมนานเนี่ย ไอ้สุก็มีการต่อสู้แย่งรักสมบัติกันจนบาดเจ็บล้มตายกันเยอะแล้วก็พูดแรงกันไปหน่อยนะฮะว่าจนถึงพระเจ้าโสาพระเชษฐาพระกินีทั้งหลายเนี่ยนะหมดไปถึงร้อยเนี่ยมันก็คงไม่ถึงแรงขนานดะนั้นยังนึกไม่ออกไปฆ่าผู้หญิงทำไมคนที่จะบินเมที่จะแย่งรักสมบัตินะคงจะจริงแต่ว่าคงไม่ไปฆ่ามากมายอะไรขนาดนั้น แเป็นความคิดของยุคมสมัยในขณะเดียวกันก็เป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์เพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นกงล้อที่หมุนทับรอยเดิมอยู่เรื่อยๆคือบางครั้งเวลาเราอาจจะมงงองในแนวปฏิปตอตรงนั้นไปเหมือนตรงนั้นตรงนั้นไปเหมือนตรงนั้นตรงนั้นไปเหมือนตรงนั้นแล้วก็ได้เหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเพระพระเจ้าเจ้ชายโศกตอนแรกก็รุนแรงเรียกว่าจันทาโศกนะดุร้ายอาโศกพูดดุร้าย ก็ในในคุกตรเนี้ในคราวหนึ่งเนี่ยมีโคดสามเณรเซึ่งพระตถ า, าจารย์เล่านะฮะว่าที่จริงก็คือเป็นพระจอรสของเจ้าชายสุสีมะหรือสุมนณะนี่แหละที่ตอนราชวิดาถูกฆ่าก็หนีไปพระเทวีก็นำหนีไปว่าบางคนบอกว่าอยู่ในคันนะฮะบางคนบอกว่า ก็ไปสุดแล้วเออถ้าอยู่ในคันมันก็เกินเหตุเกินผลไปนะฮะเพราอย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องผ่านเวลามาพอสมควรพระจุลกุามารน้อยเนี่ยน่าจะโตแล้ววอสมควรอย่างน้อยก็ต้องสองสามขวดสี่ขวดเพราะว่าระยะเวลาที่เราเทียบพระเจ้นสมัยพระเจ้าโศกเนะี่ยตอนที่ท่านแดงเนี่ยที่จริงนี่กี่ปีตอนตอน้ตนๆขนาด น, นี้ น, น, นการต่อมาท่านก็เป็นธรรมาสุกราชแล้ว เป็นสีธรรมสโสกราชหรือว่าธรรมสโสกราชหรือว่าเทวนำปยาทัศสีราชาผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายในการคราวนั้นแหละหนายคนนี้ก็ใช้วิธีแบบนี้เอาไปลงโทษพอดีก็นิครดสำเนินก็หลงเข้าไปในสถานที่นั้นพวกไอ้นี้ก็จับจับก็ใช้ทันทรมานหรือหมือนจะจับใสก่กระทัะ คือจะต้มสำเนีงก็ลอยนั่งสมาธิรอยอยู่เนืออแตะก็ปลากให้ลงไปน้ำก็ไม่ลวกน้ำก็เย็นสนิทมันไม่ร้อนมันทำอะไรไม่ได้ก็เกิดสงสัยก็ไปกราบทูญพระเจ้าโศกก็สงสารพระเจ้าโศกมาทอดพระเนตรเห็นก็ประทุเต้นพอตั้งสติได้เนี่ยสำเรียงก็ชินแะน่ถึงโทษ บาปรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการฆ่าเพื่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันเป็นบาปยังไงก็โทษของปณนาธิบาสนะจะเน้นปฏิบัติปนานิบาสก็ทําให้เกิดสะดุดระถ่ายก็สั่งยกเลิกสั่งยกเลิกเนี่ยแต่นายนี้ยังเพลินนะฮะคือไอ้พรเนี่ยบอกว่าใครเข้ามาที่เนี้ยมีสิทธิจับฆ่าได้พนเธอเกิดมันขึ้นมาก็จะจับพระเจ้าโศกฆ่าพระเจ้าโศกก็ ริ้วมากเลยเลยก็ทศินพระไทยนยีคือก็ให้ค่าในนี้เน่ก็ถือเป็นความรุนแรงในครั้งสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หลังจากไปที่แคว้นกะลิงเทราแล้วก็ทําให้พระองค์กลับพระไทยอันมาเป็นพุทธศาสนิกชนทีน่เคร่งครัดแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างที่ยวทรัพย์กันเพราะไอ้ทันเหล่านีท้ที่จริงก็ เรามองว่ามันเป็นผลมาจากความชั่วแล้วก็โลกเนี่ยเคยผ่านการลงทันมาในลักษณะนี้ปัจจุบันแม้จะไม่มีความรุนแรงอย่างที่ปรากฏอยู่ในคมภีร์แต่ความชั่วเนี่ยเป็นเรื่องต้องงดเว้นเท่านั้นนะเพื่อจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนการพากาสูญเสียการบาดเจ็บล้มตายมีความรุนแรงปรากฏออกมาในลักษณะต่าง ในเรื่องที่น่าสลดในวันที่ยี่สิบมีนาคมมีการประชุมาศาสนิกนสัมพันธ์ห้ า, าศาสนาพรธมาได้รับมอบหมายให้บรรยายในหัวข้อถึงดูรักษามัมชีในวิถีขพุทธแดีวก็ให้เวลาไม่มากก็ระตังใจสรุป แล้วก็เน้นที่สี่ห้าข้อเดียวนะฮะสี่ห้าข้อแรกแล้วก็ขับเคลื่อนเป็นการพัฒนาจิตไปเรื่อยๆโดยเช่นว่าระดับนี้ที่จริงอยู่ระดับธรรมะอยู่ระดับสีธรรมระดับธรรมะม่อก็เกิดสามัคีแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรอยู่ทีการพริจิตติเดียวก็เป็นอนั่นงอนเดียวกันได้แล้วแต่ว่าคนไม่เข้าใจธรรมะ แล้ววิธีการที่เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่ธรรมะใช่มันเป็นธรรมะแต่เป็นอกุศลธรรมในการนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองนำความเดือดร้อนมาสู่บุคคลอื่นนำความเดือดร้อนมาสู่คนในสองข่ายแล้วก็ผลจากเจตนากรรมที่ก่เกิดความรุนแรงนั้นมันเป็นบา ป, ปรกรรมที่จะนำคนเหล่านั้นไปประสบภัยในอบาย ทโทษเหล่านี้มันเป็นการมองเฉพาะตัวโทษนะฮะเฉพาะโทษวิธีการลงโทษเดี๋ยมันก็ลงใอใหญ่ใหญ่อย่างที่เล่าไว้ให้ฟังในวันก่อนว่ามันรุนแรงแล้วก็ร่องรอยเนี่ยคือมันสถานการณ์ที่สามเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่ายังมีพันในลักษณะนี้อยู่แล้วถ้าเราไปถามที่ที่กรมราชทัรร์ได้ไปศึกษาประวัติเนี่ยในระยะหลังเนี่ยมันน่าจะยังมีอยู่แต่ว่าไปเลิกเนี่ยยกเลิกที่ตรงไห เราก็ไม่รู้แต่สรุปว่าลอกเรียนวิธีนี้มานี่มีเช่นว่าเอาข้าไปในตะกร้อใหญ่แล้วก็ให้ช้างมันเตะอะไร่เนี้ยหรือบีบขมับซึ่งกหมายความว่าเลือดมันต้องไหลออกทุกส่วนของของช่องทั้งหลายในร่างกายเป็นวิธีการจะรุนแรงแถ้าเรามองว่ามันสมควรแก่กรรมก็สมควรแก่กรรมแต่เราจะลืมนะว่ามัน สร้างกงล้อของบาปรกรรมให้หมุนต่อกันไปกลาเป็นกรงเกียนกรงกรรมที่ไม่มีข่อยุดติแต่วิธีแก้ไขก็คือว่าเรางดเว้นไม่ประพฤติกระทำถ้าประพฤติกระทำไปแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้อสิ่งเหล่านี้ก็คือกลัวไว้เพราะว่ามันไปสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ฉันแสดงไว้ใน ในนิระยะโลกคือโลกนร ก, กว่ามีการลงโทษลงโทษเขาเรียกว่ากรรมกรแต่การกระทำตามบา ป, ปรกรรมที่บุคคลกระทำเอาไว้โดยเฉพาะที่มันแรงๆนะฮะโดยเฉพาะที่แรงๆ เ, เช่นว่าต้มใ น, นหม้อข้าวอันนี้ก็คือเอาคนใส่ในกระทะหรือในหม้ออย่างที่บอกไว้เนี่ยแสดงว่าหม้อก็ต้องใหญ่และกระทะก็ต้องใหญ่ มีสา ม, มเญณนี้โครโดนก็คือคือกรณีนี้แต่ว่าทำอะไรสา ม, มเญณไม่ได้แต่นั้นเด็กเขาบอกว่าพระราชาทั้งหลายเมื่อจะทรงทำกรรมกร น, น, นั้นก็ถลกทะโลกศีรษะออกเอาคีมปากนกแก้วจับค้อนเหล็กร้อนวางบนกระโหลกศีรษะนั้นเอาคีมเหล็กนั้นบีบมันสมองยกขึ้นเบื้องบนโวนแรงโรยเห็นว่ารุมแรงนะ คือแต่และข้อเนี่ยยังนึกว่าน่าจะตายแล้วในขณะที่ทํากรรมกรยังไม่ทันเสร็จเนี่ยมันน่าจะตายไปแล้วโหดร้ายรุนแรงทารุณเหลือเกินสมัยเรียนพระสูตรเนี่ยนะทำไมเป็นนักศึกษาที่เรียนเราก็ไม่อยากอ่านเราก็ต้องอ่านเอาเผื่อทดสอบสอบตอนแล้วรู้สึกสลดรู้สึกน่ากลัวแล้วก็ทําให้ตัวบาปโปุกรามมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าเราทำบาปกรรมในลักษณะนี้เราก็ควคุมไปเศษผลไม่ได้นะการไิเศษคือไปเศษเหตุไปเศษผลไม่ได้แล้วข้อต่อไปท่านเรียกว่าสังขะมุนตะกังคือขอดสังวิธีขอดสังคือท่นานอธิบายว่าอลอกหนังด้วยการกำหนดจรหูและโคนคอนะลากมาจาก ปจอนหูมาถึงโคนคอนึกดูนะฮะคือคมมีนมันลากกผ่านจอนหูรอบด้านนะแล้วก็ลากมาถึงโคนคอทั้งสองข้างให้ตั้งไว้เบื้องบนแล้วรวผมทั้งหมดให้เป็นการรหนึ่งพันกับพ่อนไม้แล้วยกขึ้นโว้มันเจ็บปวดทุกประการขนาดไหนนึกออกไหละครัหนังพร้อมกับพร้อมกับผมทั้งหลายก็หลุดออก แต่นั้นก็เคาะหัวกระโหลกศีรษะด้วยก้อนหินหนาล้างทําให้สีเหมือนสังเจเอาเอาเอ า, เอาหินมาถูหัวกระโหลกอะกระโหลกมันถูกถลกมากะละร้ายนะคนทําก็แหมตั้งใจตั้งเชียบ ม, มากใจต้องผิดปกติมากแต่ใจปกติก็ทำยากเหมือนกันแต่ก็อย่างเคยคุยกะคุณประถมเคือเพ่ง เพชฌฆาดที่เป็นอยู่ที่บางขวางรู้สึกถึงยี่สิบเปรเนตถามว่าคุณคิดยังไงอ่ะเวเลาไปยิงเขาเนี่ยยวบอกมันต้องผ่านการฝึกปรือจนเดินไปเหยียบไฟร้อนๆเนี่ยไม่รู้สึกมาร้อนแต่ว่าระบบ ก, การของบางขวางเนี่ยคือหมายความว่านักโทษนั้นก็ถูกมัดรึงเอาไว้หลังม่าน แล้วก็มีรูที่กำหนดเอาไว้วา ย, ยิงตรงไหนแล้วก็มีคนตั้งปืนสมัยนั้นก็แป๊็กมันนะฮะตั้งปืนแล้วก็คนคนนี้คนที่เป็นเพศชายมาถึงก็เหนียวกายนั้นเองมาโคง้งแล้วก็มาแล้วก็เหนียวกลาหมอกขา้ขางในก็บอกว่าพร้อมครั้งนี้ก็ยิงยิงตามกำหนดถ้ายังไม่ตายเขาก็สั่งมาจากขา้างใน แต่พอยิงเสร็จเนี่ยเขาจะโค้งคำนับขอขมาโทษแล้วก็หันหลังกลับแล้วเงินที่ได้จากค้ายิงเนี่ยเขาจะเอาไปทำบุญอุทิศกุศลให้แต่วเป็นภารกิจเป็นภนธกิจที่ต้องทำแต่ถามว่าไปคิดบ้างหรือเปล่าแกก็บอกไม่ได้คิดเรถือว่าเป็นหน้าที่แต่ว่าบาปนะถึงแม้จะเจตนาไม่แรงแต่ว่าชีวิตคน ก็เป็นเรื่องคงเปลี่ยนคงกรรมแล้วข้อต่อไปก็บอกว่า อ, อราหูมุกขังนี่คือปากราหูก็บอกว่าก็คือเปิดปากด้วยขอเล็กเปิดปากคนนะฮะเปิดปากนักโทษด้วยคอเล็กแล้วก็จุดไฟภายในปากก็หมายความว่าปากเขาต้องอ้าไว้ต้องถ่างไว้ด้วยด้วยขอเล็ก หาปากก็สุดสุดแล้วก็จุดไฟนะจุดไฟในปากนดูสิรัอวจ่อปากก็เหล็กแหลมจนถึงจอหูทั้งสองข้างแล้วเลือดไหลออกเต็มปากอันนี้เขาเรียกว่าปากราหูคือแต่ละข้ออย่างนี้ว่าตาย้งนั้นคือไม่น่าจะรอดนะถ้ารอดออกมาก็คงจะพิกลพิการ แล้วข้อต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าโชติมาลักังคือพันสรีระทั้งสิ้นโดยผ้าชุบน้ำมันแล้วก็จุดไฟเพื่อตัวคนทั้งตัวเนี่ยนะแล้วผ้าพันรอบหลายรอบแล้วน้ำมันราดให้ชุ่มแล้วก็จุดไฟไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะะมันพารูดมันหดร้ายมันทรมานแต่เป็นเรื่องแปลกจริง คือการลงโทษในลักษณะนี้ถ้าเปิดโอกาสให้คนดูนี่คนจะแห่กันมาดเูเราลองดูเดีกยครสมัยจักนวรรดที่มีการยิงป้าวอะยิงป้าวที่รินคมแพงหรือประเทศจีนในเวลาทีายิงป้าวจะออกข่าวโทรทัศน์คนมาเยอะมากเลยคือมาดูแล้วก็สะใจรู้สึกาสาใจรู้สึกมันในอารมณ์ที่ได้เห็นเหนการณ์เหล่านั้น คือันที่บอกมนุษย์มันมีผู้หญิงสาววิตกอยู่เยอะคัาคิดเองทำนองเบียดเบียนต้องการเห็นความพิบัติเรือดร้อนเสียหายความรุนแรงต่างๆเนี่ยเรียว่าเขาปลุกม็อบอะไรเนี่ยถ่ายทอดคำพูดที่แรงๆออกมาคือยันนึกไปออกว่าถ่ายทอดมาทำอะไรคือไม่ใช่่าสื่อแล้วต้องสื่อหมดแต่มันสื่อทำอะไรหรออันั้นต้รับผิดชอบก่อ ความรู้สึกของผู้รับสารด้วยเพาการพูดในลักษณะนั้นเนี่ยมันจริงยากนะฮะเพราะมุ่งที่จะทําลายล้างกันเหมือนเหมือนคนด่านะเราอ่านคนด่ากันด่ากันไปด่ากันมานี่เพี้เยอะมากๆเลยแล้วก็ธรรมชาติมั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะเพราะมันบงการดุจกิเลสไม่ใช่บงการดุจคุณรำอะไรบงการดุจกิเลสเมื่อกิเลสมันก็เพี้ยนโลภะราคะโทสะโมหะมันก็ไปหมดอ่ะ ก็กลายเป็นเป็นอกุศลกรรมบุเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจมันเริ่มในสุจริตที่ใจมันก็กลายเป็นความรุนแรงออกมาแล้วก็เราก็เผยแพร่ความรุนแรงเหล่านั้นในคนกลุ่มหนึ่งเขาชอบชอบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดูความรุนแรงต่างๆมันแสดงให้เห็นว่าพื้นจิตเนี่ยปรกอบด้วยผิวสัณหแต่คนที่ไมีความเมตตากรุณาเนี่ยเขาจะไม่ฝังเรื่องนี้น เพราะมันมันหาคำตอบมาได้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันปัดสิน์อะไรไม่ได้เลยเพราะเป็น ล, าานลรรนีลาอารมณ์เป็นลีลกรรมเป็นลีลาอารมณ์ไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะถ้าต่อสู้กันแล้วก็ถือว่าหาความจริงก็ยากแม้แต่ขนาดสหรัฐอเมริกาที่เขาเรียกว่าเอาผู้ส ม, มัครประธานาธิาบดีกับ ทานะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาโต้กันในทางทางโทรทัศน์เขามีข้อมูลที่เท็จเพราัน ล, ลักษณะเราเานี้เขาตาปกติก็คือไม่ฟังที่เราส่งสอนคือจะพูดเนี่ยเราเองจะพูดคือเราไปห้ามคนอื่นไม่ได้แแต่คนพูดคนอื่นพูดเราไม่ฟังแล้ว เราห้ามเขาเขาไม่ได้เพียงแต่เราไปเสื่อสารได้นะเห็นไหมความงทาออกมาทางวิทยุเราก็ไม่เปิดวิทยุของเราเนี่ยออกมาทางโทรทัศน์เราก็ไม่ดูออกมาทางซื้อพิมพ์เราก็ไม่อ่านาก็จบเรื่องมีอะไรเรื่องสตาลไม่เสียอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกรักษาสุขภาพจิตนตนเองเอาไว้หนังสือเรื่อนี้ตามปกติแล้วเขาถึงไม่เปิดเผยให้สาธารณชนเขาดูเพราะว่า มันจะเกิดอย่างหนึ่งคือการเรียนแบบและอย่หนึ่งก็คือเพิ่มบาปคือมันเกิดวีหิงสาคือความคิดเบียดเบียนต้นองการจะซ้ําเติมและมันลามไปามาถึงวงาาศากัญาตาเขาลูกหลานเขาพี่น้องเขาพ่อแม่เขาโอมันไปกันใหญ่ประการต่อไปนั้นก็เรียกว่าหัตถปัตติโซตเกลางแต่นี้ก็แนวเดียวกันแต่ว่าใช้ที่มือหมายความเอาผ้ามาพันมือของคนเหล่านั้นแล้วก็ อราดน้ำมันนะะราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเอาไฟคล้ายๆกับไฟเป็นใต้เอาเอาเอาคล้ายๆเอาแขนมนุษย์เนี่ยอาแขนมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นใต้ที่จุดขึ้นมาหรือเป็นเทียนแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยมาต้นนึกถึงใต้อ่ยนะฮะเพราะว่าเราเห็นผ้ามันก็เหมือ น, นที่ใต้น้ำมันเหมือนกับมันยางที่อยู่ในตัวใต้แล้วก็จุดึกดูกันแล้วกันนะฮะ้าร์ก็คือพิการ มือทั้งสองคงใช้งานอะไรไม่ได้เพราะวิธีการคิดอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ามันงองไปนะในแง่อัจฉยะอย่างเดียวแต่ไม่มองว่าคนเราเนี้ยก็คือคือคนอะคือมนุษย์อ่ะแล้วเธอต้องอยู่ต้องประกอบอาชีพต้องทำากินต้องเลี้ยงดูตัวเองต้องี้ดูครอบครัวแล้วเราทําลายมือเขาอย่างนั้นแล้วก็จะอยู่ได้อย่างไง น, นี่ทีนี่ทีมองเนี่ย แต่ส่วนมากแล้ววิธีคิดทางโลกเนี่ยคือมันจะมองเฉพาะ ม, ม, มุมเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแต่ว่าถามมาต่อไปละ่ะต่อไปต่อไปคุณรับผิดชอบได้หรือเปล่าคุณรับผิดชอบเฉพาะมิติลงทันแต่นั้นเองแต่คุณไม่รับผิดชอบบทผลจากการลงทันที่เกิดขึ้นกับคนคนเนี้ยต่อไปเนี่ยถ้าเขาไม่ตายเขาก็กพิการแล้วพอเขาออกไปจากคุกแล้วเขาจะอยู่ได้อย่างไง พี่น้องลูกเมียพ่อแม่เขาจะมีความรู้สึกยังไงมันก็ะจายความทุกข์นะเราเห็นว่าความชั่วเนี่ยมันกระจายความทุกข์แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่กรรมเพราะถ้าคนเหล่านั้นไม่กระทำความชั่วอัจญาิเหล่านี้ก็ไปลงเขาไม่ได้แต่เพราะเขาทาความชั่วมันก็เจอเจออัจญาิในลักษณะนี้ประการต่อไปในเขาเรียกว่าเอรั ก, กะวัติกังคือนุ่งหนังช้างอธิบายว่า คือตัดแผ่นหนังทั้นแค่คอขึ้นไปวางไว้ที่จอนผมลาดับนั้นก็ผูกมันด้วยเชือกทั้งหลายแล้วก็ดึงดึงไปแล้วก็เหยียบอีกเหยียบอีกซึ่งแผ่นหนังของจนแล้วก็ล้มลงนะหมาความว่าคล้ายๆกันอะไรอ่ะคล้ายๆกับไอ้ผ้ามันกลอมลงไปที่เท้าน่ะแล้วก็เหยียบเหยียบเชือกที่ที่มัดเนี่ย แล้วก็ล้มลงก็ลุกขึ้นได้ยากนะนะสบความทุกข์ทรมานพวกเกาะเขียนปีสะใจต้องทำให้ได้ต่อไปเ็าเรียกว่าจีรกะวาสิกังคือนุ่งสารายเขาบอกว่าเมื่อทำกรรมกร น, นั้นก็ลอกแผ่นหนังเหมือนอย่างนั้นให้จดสะเอวลอกตั้งแต่สะเอวจุดข้อเท้าทั้งสองซีร่าล่าง กับข้างบนเนี่ยเหมือนกับนุ่งเหมือนกระพ่านุ่งที่ถาให้เปลือกปอดูตลกหนังทั้งสองด้านนะแล้วมันจะอยู่รอดได้ไงก็ตายไปนานแล้วแล้สมัยนั้นเรานึกดูไม่มียาชาด้วยนะยาชาไ ม, ม่ีแล้วก็ไปถลกไปอย่างนั้นก็ต้องตายก่อนแล้วก็ในสุดก็กลายเป็นการยัมีสุด แต่ว่าแปลกว่าอัดยาในลักษณะนี้เมันอยู่ได้นานๆผ่านเวลาเป็นร้อยๆ้ปีมนุษย์มันได้คิดแก้ไขเลยต้องการในความมันความสะอาดใจคือผิดแก้ได้ผิดะค่แ ค, แคกระโคนเพื่อนโคนแล้วก็ล้างด้วยโคนคืออาญกรรมทั้งหลายเนี่ยที่จริงมันน่าจะมีวิธีวิธีการที่ดีกว่านี้คือวิธีการทางอัดยาที่ใช้ความรุ่มแรงต่างๆเนี่ย มันสร้างความเจ็บช้ำมันบางทีมันไปเรียนรู้เพิ่มเติมเข้านะอยู่ในคุกเนะี่ยคื อ, อยังนึกว่าวิธีการตัวนี้มันน่าจะสัมมน า, าใหญ่แล้วก็คิดอะไรของไทยขึ้นมาคือทำอย่างไงว่าเอาคนผิดมาให้เป็นคนดีให้เขากลับเมืก่กตัวเป็นคนดีแล้วก็เป็นพลเมืองดีมันไม่จำเป็นอะไรละต้องตัดสินยาวเหยียด เนนี้ยังดีนะยังไม่พูดถึงห้าร้อยปีสอง้อยปีเนี่ยสมัยก่อนหลายปีก่อนเนี่ยเคยเคยตัดสินในรับษนี้นนัดินห้าร้อยปีลดทำไปทำมาก็นานนะฮะกว่าจะากว่าจะออกมาได้ก็แก่แล้วเดี๋ยวข้อต่อไปเนี่ยบอกว่าเอเนยกกังคือยืงกวางก็บอกว่าเ อ, เอ า, อาเออมัดลวดเหล็กที่ข้อที่ข้อสอง และเขาทั้งสองข้างก็ตอกเหล็กแหลมทั้งหมดทั้งหลายก็ยืนอยู่ในแผ่นดินด้วยเหล็กแหลมสีอันตรึงเอาไว้ลำดับนั้นก็จุดไฟจุดไว้ล้อมวงนะฮะไฟก็ร้อนนะเขาก็ยืนดิ้นไปไหนไม่ได้ก็ลูกศิษย์พระมหากัษ ป, ปะอีกคนหนึ่งนะฮะคือคือท่านท่านไปพอใจผู้หญิงซึ่งเป็นญาต ลูกของลุงก็เกิดชอบใจขึ้นมาก็สึกไปก็ปรารถนาจะแต่งงานแต่ผู้หญิงก็ไม่เล่นด้วยวเองก็ไปคบเพื่อนไม่ดีในสุดก็กลายเป็นโจรไปดูต้นทางให้ก็ถูกจับแล้วก็ถูกตรึงอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียบเสียบตึงนะะเสียบตึงไว้พระมากระปะท่านไปเยี่ยมท่านบอกว่าให้มนสิการถึงอารมณ์เก่าคือคือท่านรูปเนียจริงท่านบนรรลุอภิญญามาแล้วนะ แต่ปัญญาไปเจอผู้หญิงสวยๆเนี่ยหล่นตุ๊บเงนนะฮะหยิบมันตกบุกเลยเพราะงะั้นปัญหาเรื่องนี้เรื่องราคาเรื่องโลภพระเนี่ยมันจะแรงเหมืะะนท่านท่านก็จะเริญนกรรมาฐานตามที่พระเจรัสั่งแล้วก็เลื่อนลอยขึ้นไปบนญากาศเลยใช้อิทธิฤทธิลอยขึ้นไปบนญอากาศ ร, ราชาทรงทราบก็อภัยโทษแล้วก็ ขอให้บวชต่อไปท่นก็ บ, บวชมันเป็นเพียนนรปปะ น, นะบรรลุมาผลน่ทีเดียงมั น, น ก, ก็แสดงให้เห็นว่าทัานทรมานแบบนี้ในสมัยที่พระเจ้ายัางทรงประชนอยู่เนี่ยก็แสดงตามที่ปรากฏอยู่ในทันทศสถานคือสมัยก่อนจะเรียกทันทศสถานหรือเปล่าเจ้ในบ้านในเมืองเหล่านั้นประการต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาถอด เล็กแหลมตามเวลาอันสมควรออกไว้กับกระดูกสะเอสี่แห่งขึ้นชื่อว่าการกระทำชี่เห็นปานนี้ไม่มีโอ้เล่นแรงมากเลยนะออกตรึงเอาไว้นะเราตรึงเอาไว้ยังนึกถึงว่าแนวทารลงโทษในประเทศเ น, นี่ยพวกโปรตีนพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นอะไรก่าที่เรานักโทษไปนอนอยู่บน บนหญ้าแห้งๆก็ยังนึกว่ า, าสมัยโบราณของชาติเรานี้ก็แรงนะแล้วก็เราเองเคยดูมันก่อนโอ้มันก็แรงองทั้งๆที่เราเป็นเมืองที่นับถือพุทธศาสนาส่วนใหญ่วิธีการลงโทษก็ไม่น่าจะแรงขนาดนั้นประการต่อไปเนี่เขาเรียกว่าภาลิสสะมังสิกัง คือได้แก่ตีด้วยเบ็ดมีขอทั้งสองข้างแล้วก็ชากเนื้อเ อ, อ่อเงื้อและเอ็นหม้ความเวี่ยงเบ็ดไปเกี่ยวแล้วก็กระตุกเพี่ยงเบ็ดไปเกี่ยวแล้วกระตุกเบียงเบ็ดไปเกี่ยวแล้วกระตุกหรืออาจจะกดเบ็ดด้วยมือแล้วก็กระตุกดึงนะดึงจนหนังขาดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปโหดได้มาก แล้วก็หาปังได้แก่การควักศีรษะทั้งสิ้นให้ตอกออกไปทีละประมาณกหาปณะนะอนนี้คล้ายๆกับที่พระเจ้าอุเทนลงโทษกับแก่พนางมาคันธียาพราะนามาคันดียาเนี่ยเรื่องเรื่องรู้สึกจะเคยล่ามานานแล้วนะกืสรุปว่าแกร่วมมือกับอาแก่ซึ่งมีฐานะเป็นกุโรชิตของพระเจ้าอุเทน จริแกต้องการแก้แค้นพระพุทธเจ้านะแกทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็เลยมาแก้แค้นลงที่พระนางสามาวดีซึ่งเป็นมหาอุบาสิกากับบริวารทั้งหมดเป็นอุบาสิกาทั้งนั้นก็ลอกให้ท่านเหล่านั้นอยู่ในปราสาทแล้วก็ปิดประตูลแล้วก็ราดด้วยน้ํามันแล้วก็เผาเพรตอนนั้นพระเจ้าอุเทนสเสด็จประพาะอุทยานพอรู้ข่าวดงกว่าจะเสร็จมาถึงก็ไปกระมอดแล้วก็ตายมาแล้ว แต่ท่านเหล่านั้นพอเห็นดังนั้นท่านก็เป็นมุสดาบันอยู่ก่อนท่านก็เจริญกรรมฐานต่อไปบางบางองค์ไปถึงอนาคามีเลยบางท่านไปถึงอนาคามีเพราะว่าโอ้โหไปฆ่าพริญญาบุคทีเดียวห้าร้อยเนี่ยกรรมมันมาแรงอติดนะจรวดมาเลยแหละเอากันตรงนั้นเลยนะจับญาติทั้งหมดมาแล้วขุดหลุมลึกแค่สะเอวแล้วก็กบรกดฝังแล้วก็เผาไฟเผาไฟมอดลงแล้วก็ไถด้วยถยเหล็ก ตายไปั้งเผาไฟนะศพยังถูกไถพระนางมาคันธยาในหลงโทษพิเศษโดยการตัดมิน้นชิ้นเนื้อที่ล่ำลำ่ทั้งหลายนี่มาทอดให้กินทอดราเป็นแผ่นนะตัดมาเป็นแผ่นแะล้วก็ทอดให้กินป็ตายโอ้รุมแรงเลยแล้วเห็นว่าตรงนี้ที่จริงมันเป็นอยู่ที่ยุคพุทธสมัย แต่ ว, ว่าพระตาตาาจารย์ท่านเล่าเนี่ยที่จริงท่านเล่าเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปตั้งเท่ไหล่ะเก้าร้อยนะเก้าร้อยกว่าปีก็แสดงว่าล่าสู่กันฟังมาตลอดถึงความรุนแรงของโทษที่หลงข่านั้นแล้วก็บอกว่าทำอย่างเนี้ยนะโจงจ น, จ น, จนตั้งแต่เอโดยมีดที่คมกริตแล้วก็ อีกย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าขาราปฏิชักังได้แก่ตีสรีระในที่นั้นๆด้วยอาวุธทั้งหลายราดน้ําต่างขัดด้วยแรงหนังเนื้อและเอ็นก็ไหลออกคงเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นอันนี้ตายไปนานแล้วหรือท่าทางก็ตายไปนานแล้วแล้วข้อต่อไปเรียกว่าปริคะปริวัติกังได้แก่นอนข้างเดียว ตอกเหลาเหล็กแหลมในช่องหูนะทําให้ติดกระดินนึกดู ก, กันครับช่องทะลุกะโหลกศีรษะเข้าไปรื้อตึงไว้กัะดินเนี่นอนข้างเดียวลําดับดนั้นนึงจับเท้าของเขาแล้วก็วนโอ้โหสงสัยตาตอนตอกนั่นแหละอย่าเท้าหมุนเนี่ยลองลองนึกดูจับเท้าหมุนไปได้ได้ๆแลวนไปเรื่อยๆบทว่าปัลาละพีตะกัง ก็ผู้ทำการออกกรดฉลาดแลดเนื้อหนังออกทุกกระดูกทั้งหลายหรือลูกหินบดแล้วจับผมทั้งหลายยกขึ้นคงมีแต่กองเนื้อเท่านั้นลําดับนั้นก็รวบผมเขาเท่านั้นจับบิดทําเหมือนไปเกลียวฟางโห ด, ดร้ายมากแล้วก็น่าจะตายแล้วเหมือนกันแต่ข้อต่อไปก็คือสุนัขเขหิได้แก่ให้สุนัขที่หิวจัดเนี่ย เพราะไม่กินอาหารมาสามสี่วันเดี๋ยวให้กัดก็อ้เหลือแต่โครงกระดูกอันี้เราจะเห็นว่าในต่างประเทศม่นก็มีนะสิงโตบ้างเสือบ้างจระเข้บ้างไอ้โคบ้างอะไรต่างๆนี่โอ้มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่โหดร้ายนะต้องพัฒนาอีกเยอะนะะเพราะคนมันเกิดใหม่ทุกวันคื อ, อยังนึกว่าระบบ ก, การศึกษาของเราเนี่ย จากเหตการณ์ต่างที่เกิดขึ้นมันมีประเด็นหนึ่งคือพูดจากับไม่รู้เรื่องคือสุแล้วพูดจากันไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้ว่าจะสละอะไรเพื่ออะไรหลักการสาคัญว่าสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อใหญ่กว่าแล้วก็ใหญ่เนี่ยใหญ่ที่สุดก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใหญ่ที่สุ ด, สสาารยยสดเราตายได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คนตายได้ ก็ตายอยู่แล้วไอเรือ า, าช้าเท่านั้นเนี่ทีนี้ถ้าเราคิดถึงศาสตร์ศาสนาประมากศัตร์โดยเฉพาะอย่างเงี้ยปีหมามงคลเนี้ยมันคนไทยเราไม่เคยประสบนะนับจากสุขโขทัยเป็นต้นมาว่าปีหมามงคลในลักษณะนี้ที่สถาบันประมาศัตร์ของราชทัพ60ปีปีหน้านมีประชาพรรษา80ปีทั้งสองปีนั่นหละ บประสชนไทยไม่เคยสัมผัสคนรุกเราเนี่ยสัมผัสแล้วถามอายุต่อไปจะมีอีกไหมมันมันไม่รู้แหละแต่ตอนนั้นคนยุกเราก็ตายไปหมดแล้วแม้แต่เด็กที่เกิดวันนี้ก็ตายไปแล้วนะฮะเราไม่มีทางได้เห็นนะเพราะนันไปปีที่สิริมงคลมากมากแต่ปัญหาอยู่ที่สานึกภายในจิตของคนเนี่ย ให้ความต้องการแก่ความเห็นของตัวเองมากกว่าความได่ร่วอยู่อย่างมั่นคงของชาติมั่นเมืองเรื อ, อยังไงประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียวเราเป็นอนุเล็กๆในชาติประชากรเราหกสิบล้านนะหกสิบสามล้านเนะ่ยคือต้องนึกถึงคนอีกหกสิบสามล้านนะ่ะคนนี้เคลื่อนไหวอยู่ยังไงมันก็ไม่ถึงล้านนะ แช่ว่าบ้านเมืองนี้ปวดแล้วเราไดเห็นลปะปัญหาตั้งต่างมันตามมาเยอะแล้วเกินทำมิยุติแล้วก็ยากเลยกว่าจะแะขาขได้เนี่ยเป็นวีรกรรมบนซากประหลักหักพังของชาติบ้านเมืองแล้วก็ถอยหลังนะฮะเรานึกดูว่าออรอบบริเวณบ้านเราเนี่ยแม้แต่พม่า ก, ก็ถือคอยดูเขาอ่ะคอยดูพม่าเขาปรับท้างใน ดูเวียดนามเขาแม้แต่ลาวเราจะเห็นว่าไปดูที่สิงคโปร์ฮ่องกงดูนดีนดูไต้หวันญี่ปุ่นอะไรไม่ต้องพูดแล้วนี่ก็คืออะไรก็คือว่าความสมนึกถังศีลธรรมเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานทางกระตัญญยู เราคิดว่าถ้าเรามีความซื่อสัตย์มั่นกระตันอยู่รู้หน้าชี่แล้วก็สามอย่างเลยลืมว่าบาปรกรรมเหล่าเนี้มันให้ผลเป็นคิดธรรมแเทว่าทูตแรงขนาดนี้มีการยกยอดนะครมียอดยอกมาแน่นอนเพราะท่านยืนสรุปไว้ในตอนสุดท้ายว่าเป็นผลกรรมที่คนเหล่านั้นจะได้รับอีกในสัมมยาละ ทำบมราจะพบคือในภพชาติต่อไปคือกรรมที่เราทํามันมันท่าตแรงแล้วไม่จะให้ผลชาติเดียวนะอย่างที่เคยเล่าพระเทวีองค์หนึ่งที่ท่านเคยฆ่าแพะตัวเดียวท่านต้องถูกฆ่าตายห้าร้อยชาติหลังจะตกนรกแล้วะหลังจะเปรตแล้วยังเหลือวิบากกรรมท้นเหลือลงท่านใช้ขึ้นมาวิบากกรรมที่เหลือลงนี่ทําให้ท่านต้องตกนรกไม่ใช่ต้องถูกฆ่าตายถูกตัดคอตายเลย เหมือนกัพี่ตัวเองจะขอบแพ้ตอานบาปรกรรมเนี่ยผู้เจ้าจึงทรงสอนว่าอันความชั่วร้ายไม่ทำเลยดีกว่าเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยจะไม่ต้องเดือดร้อนใจในการไถ่ละความดีนั่นแหละทำไว้ดีกว่าเพราะทำแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนใจ แล้วก็ควรรีบเร่งเรียกเร่งเดี๋ยวนี้วันนี้ขณะนี้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าบาปกรรมที่คนทําแล้วไปเสริฐผลไม่ได้เราก็ไปเสด็จได้ความเชื่อมั่นในกฎของกรรมตามที่คุณเจ้าทรงสอนให้เราคิดเราพิจารณาเราสาธยายก็เป็นประโยคซ้ําทุกคนทุกแห่งเหมือนกันทุกแห่ง คิดเรานี้มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแค่ทํากรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะเรื่องบาปก ร, รมแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยในเรื่องผลเว้นเหมือนศีรษะอสรพิษเหมือนยาพิษเหมือนพวกอันตรายทั้งหลายเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยก็พยายามหลีกเลี่ยง แต่ว่าสารพิษมันกัดระตายชาติเดียวแต่บาปรกรรมมันสนองผลผ่านภพชาติไปเป็นนั้นนะอันนี้คือทุกทุกจากการประกอบกรรมชั่วที่ทรงแสดงไว้ถึงสองสูตรด้วกันนะขาความเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาพิจานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไบูรณนธรรม คือมีแต่ท่านผู้ฟังสท่าั้โดยทั่วกันสวัสดี